ทำกัต้อาเพื่อให้บันทันสมัยสักหน่อยอย่าปล่อยเวลาพี้งไปโดยเปล่าประโยชน์ก่อนที่จะให้งงให้เห็นให้ทำอะไรที่เราจะเป็นความถูกต้องความชอบในการที่เรามีชีวิตอยูเน่คือธรรมชาติคือธรรมะ เขาให้ถึงไม่ว่าอะไรคาว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ธรรมะก็ยิ่งใหญ่ธรรมะมาจากคาว่าธรรมชาติเต้นป่าไม้แดดเลนแม่น้าอากาศยิ่งใหญ่อยู่ที่ไหนอากาศก็ต้องเป็นอากาศแม้จะมีการปนเพื่อนไปกับสิ่งแวดแล้อมก็ยังขอเป็นอากาศอยู่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 ถ้าเราไม่เป็นอะไรแล้วอย่าไปพูดให้แมนเสียเวลาอย่าเบียเบียนกันอย่าอิจฉากันอย่าเอารัดเอาเกลียบกันอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าทำคนเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์พวกเราอย่าไปพูดมันเลยมอทาอย่างนี้มาเลยมานี่ก็ไม่ต้องขอญาตจากใครมีสิทธิล้อยเปเช็นที่ประเทศไทยถ้าประเทศอื่นมาก็ต้องขอวีซา่า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 มนุษย์มันประเสริฐตรงนีน้ไม่ใช่เพศไม่ใช่วัยไม่ใช่รัตินิกายทำลงไปให้ทำไม่ใช่ไปสอนให้รู้ใครก็รู้นัอ่งอยู่นี้ไม่ได้คนรู้ทั้งนั้นไอ้ชีหม่เนี่ยก็จบปัญญามาก็มีพระที่จบปัญญาก็มีถ้าจมก็จบปัญญาก็มีไหนคนต้องมีอะไรที่จะเป็นสิ่งดีด พอตัวว่าแต่ความอ น, นั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่เป็นไรต้องประกอบขึ้นมามีอยู่ทุกของทุกอย่างบันจุเห็นวันจุไม่เป็นผู้สุขไม่ยากมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกบรรงเห็ตุบรรงแล้วก็มีเท่านี้เอาจริงเจีงมีผวมหลงทึกสาระเนี่ยมีความหลง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 สิ่งเหล่านี้อยู่กับคู่โลกเมื่อมีมนุษย์คนอยู่ที่ใดต้องมีเรื่องนี้ทั้งนั้นดังที่เราสรนเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกวันงดน้ำไ่เลาะว่าใช่ฟังเสียงแบงเสียงดนเตะอันเสียงธรรมชาติเรายังมีเสียงแบบพระพุทธเจ้าได้พูดได้ออกจากพระโอษฐขององค์อยู่ทุกวันนี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 มันจะอยู่ไม่ได้จะต้องบอกกันเป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปัญญามีผลกระทบใ้ทางที่ดีก็ว่าแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีก็ไม่เป็นอะไรอยู่กับป่าป่าก็ดีอยู่กับดินดินก็ดีอยู่กับน้าน้าก็ดีอยู่กับอากาศอากาศก็ดีอยู่กับคนคนก็ดีมีเล็บมือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมีอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นอะไร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 ว่าไ ม, ไ, ว ไ, มวไม่เป็นอะไรเคยนะทางร่วมทุกข์ไม่ใช่ทางก็ไม่เปลี่ยนอะไรเห็นมันทุกข์เป็นทางแต่พูดง่ายๆนะร่วมสุขไม่ใช่ทางเห็นมันสุขไม่เป็นทางถ้าเป็นสุขมันทางสุดโตง่งถ้ามันทุกข์เป็นทางตันมันทางสุดโต่งมันทางตันบันปายคิด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 เดีย๋ยวนี้ยังเป็นรองช่างอยู่เพราะว่าไปอยู่ไม่ได้ไประโยู่ไงผู้หญิงประโยชน์ยัยงงั้นไม่ได้ห้ามเขาจะอยู่ที่นี่ก็ไม่กล้าชวนเขาสะพานแต่ก ข, ข้ามลำบดาวไม่ลําเดียวเท่านี้ไต่ไปเราก็ไต่ไปก่อนจะไปได้ไหมจะไปได้ไหมก็ค่อยค่อยขา ม, มาขำ ม, มา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 ไปโทรศัพท์ขอโทษไปได้โกรธก็โทรศัพท์ตอบต่างคนต่างไม่ความสุขเปลี่ยนได้ทั้งสองคนมันเปลี่ยนได้จากความโกรธ่ิฉากันมาเป็นิบปีหืนดีกันได้เป็นมิตรภาพอะไรล้วงโกรเป็นคมไม่โกรธว่าเจ้าจดหมายมาให้อ่านดูวยนี้ก็ มันก็ทําได้เดียความโกรธขนาดไหนมันได้มันไม่เป็นไรเราเราก็ลืบไปเลยเรียบไปเลยนี่คือมันเรียบไม่มีขึ้นพ่าไม่เป็นไรมันไม่มีขึ้นในชีวิตของเราพยายามตรหนี้พวกเราไม่ได้ไปอ้อนวอนขอร้องมาง่ายๆเหยียงแต่ความรู้จักตัวไหนไปถ้ามีความรู้จักตัวไป่า